ขอจเจริญพรยินนะขอเจริญทรท่าอนอาจารย์แล้วก็ผู้ปกครองอทุกท่านนะถึงแม้วันนี้จะมาช้าหน่อยนะแต่พวกเราคงได้ประโยชน์นะแทนที่จะเป็นการรอบอกกล่าก็ได้ฟัง ธรรมะแล้วก็ได้ดูสิดดูใจขอเราไปด้วยบันทีนความไม่แน่นอนนะมันก็เป็นเครื่องสิดใจของเราไม่แน่นอนว่าจะมาจะมาถึงเมื่อไรหรือไม่แน่นอนว่าเราจะถึงที่หมายเมื่อไหร่อันนี้นก็เป็นแบบสุดขั้ในการดูจิตดูใจของเรา เมื่อสองเดือนก่อนเนี่ยจะมาไปประเทศกุฏานมาเป็นครั้งที่สองครั้งแรกก็เมื่อเดปีที่แล้แลวเราผมทราบดีว่าประเทศกุฏานนี่เขาถือว่าความสุขน่าเป็นต้นหมายเป็นเกณฑ์วัดความสําเร็จหรือความเจริญของประเทศชาติประเทศส่วนใหญ่ก็ ว่ดความจเจริมด้วย GDP cross domestic p r o ด, ดั c t วมังประเทศไทยด้วยก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติแต่ว่าทางผู้ถามที่เป็นอยู่บางประเทศกเลย ม, มานับสิบปีแล้วก็ใ น, นเรื่องอ cross ต a วแมสก์กับเอติเมสก็ไม่ในเรื่องลิติกรรมก็ในเรื่องความสุขความสุขมวลรวประชาชาติบางทีก็ใช่ว่า cross national happiness ก็เหมือนกันตัวแทก็คือประเทศชาติใครที่ไ ป, ปกูถามนะก็ ผงจะประทับใจทั้งในเรื่องของธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็วิสัยใจศของบุคคลีิถ้าได้ไปไกลเนี่ยไม่ได้อยู่แต่ทืองเที่ยวแต่เฉพาะพาโรหรือว่าทินปูเป็นมังวงแต่ว่าไปไกลขึ้นชนบท เลยก็ทางด้านทิ่ตอนออกมันมีเมืองหนึ่งจังหวัดที่บูงทางอันนี้เป็นแหล่งรารยตรรของภุธานราชวงศ์ิตมีเนี่ยนะก็มีร่างเน่านอยู่ที่บูงทางปราดคนสำคัญนักบวชคนสำคัญของภุธานก็ก็มีที่มา หรือภูมิลําเนานืนที่บูมิธรรมธรรมชาติสวยงามมากแล้วก็ือพอป่าและที่ประทับใจอกพอไหคือผู้คนผู้คนเ่า่าสุภาพอ่อนโยนมีรอยยิ้แต่ว่าก็มีความรูงง้ด้วยเป็นตัวของตัวเอง แต่ว่าพูดถึงความยากลำบากก็มีไม่ใช่น้อยแค่เดินทางเนี่ยนั่งรถจากทินปูเนี่ยไปบุรีงัมก็รืยอทางก็แค่2 5 0กิโลเอาจจะพอๆกับกุงเทศโคราชแต่ใช้เวลาเป็นวัน 8-10 ชั่วโมงถนนก็ค่อนข้างโคตรเคียวถ้าไม่หวัดเสียวถ้าไม่รู้สึกหวัดเสียวกับขอบเสียว ที่อยู่ติดชิดถนนเนี่ยก็จะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยางามกุลาพันธ์ปีนี่ต้นใหญ่ๆเงี้ยเลยนะสูงนะไม่ได้ต่ำเทียบนะธรรมที่บ้านเราเป็นโดมเป็นป่าเป็นตัวอย่างในชนบทเนี่ยนะมันก็มีความลำบากหลายอย่าง ผู้คนเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังใช้การเดินเป็นเป็นหลักในการสัญจรต้องแบกของแบบ่สัมภาระเทคโนโลยี่สิบเปอความสะด์ก็ไม่ค่อยมีมากเวลาเราไปผู้ถามเนี่ย สัมผัสกับสภาพบรรยากาศแบบนี้เนี่ยโดยเพราะเมื่อพูดถึงความยากลำบากของผู้คนนะซึ่งเหมือนกับย้อนคอยหลังไปมากกว่า50ปีที่แล้วมันยิ่ก็สงสัยไม่ได้ว่าเขามีความสุขได้อย่างไรเขามีความสุขได้อย่างไรหลายคนเนี่ยฝรั่งเนี่ย ก็จะให้สมญานามภูฐานนั้เป็นที่แด่แห่งความสุขหนังสือบางเล่มก็ใช้คําว่าเกินเตียนใกล้ถสวรโโครค์ so close to h e a v e นี่มันไม่ใช่ cross มันไม่ใช่เกิดขึ้นสวรรค์ น, นีคนนค่ความสูงแต่ว่านี่ความความสุขของผู้คนเรามาจากเมืองไทยเนี่ยหรือมาจากกรุงเทพเยซึ่งมีเสียงเป็นความสะดวกมากมาย เรามีโทรทัศน์เรามีวิดีโอเรามีโทรศัพท์มือถืเรามีอาหารอร่อยกาแ ฟ, าฟาที่หอมแต่ไปที่นั่นมันแค่จะไม่มีอะไรเลยเดีย๋ยว้นในสมบัแล้วก็มีความสุขจากอะไรอคนในเมืองเนี่ยอย่างคนในเมืองไทยก็มีความสุขจากวัตถุสินเชื่อเทคโนโลยี สิ่งบันเทิงมีความสะดวกเช่นที่สยามพารากอนก็มีสิ่งที่จะเป็นแหล่งผลประโยความสุขให้กับผู้คนแต่ที่นั่นมันไม่มีอะแล้วคนเนี่ยเอาความสุขมาจากไหนเราไม่ทราบว่าเวลาเราไปภูทานเนี่ยคนที่เป็นไปเนี่ยน่าจะตั้งคําถามเล้ว่าคนเราที่ก็อาความสุขมาจาก เพราะว่าความสุขของเขานี่ก็อยู่ที่ใจเป็นสำคัญอาศาัายสิ่งวอร้อนธรรมชาติที่งดงาม น, นะเป็นส่วนที่ช่วยกล่อมกล่ตจิตใจให้มีความสุขรวมทั้งความสัมพันธ์ที่ยังเพื่อเื้อเกิอือกูดกันอันนี้ก็เป็นที่มาแห่งความสุข และสิ่งเหล่านี้มันก็ไปช่วยกอบกูจ้จิตใจซึ่ของคนที่นั่นเนี่ยนะค่อนข้างจะเหนื่อยๆนะเหนื่อยเวลาเป็นไปอย่างเชื่องช้าในความรู้สึกของเราไม่ เ, เร่งรีบจนระทั่งสําหรับคนไทยบางคนเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าอยู่ชีวิตเนี่ยมัน มันก็เวลามันผ่านไปอย่างช้าๆจากคนเ็ามีความสุขแล้วมาช่วยเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบด้วย น, นอกจากความสงบความสุขจากธรรมชาติความสุขจากความสัมพันธ์ที่รล่าเรื่องของปรินความสงบในจิตใจซึ่งส่วนก็จากการที่มีศาสนาวัฒนธรรม เรางทราบควากดที่นั่นนี่เพราะถือศาสนารล้วก็พุทธศาสนาเ ร, ราใอย่างมากการสวดมนต์เป็นส่วนของชีิประจำวันของเขาคนจาริไปที่ไกลๆแล้วก็ไปทำบุญพร้อมกับภาวนาอันนี้เราเห็นได้ทั่วไปความสุขเนี่ยมันมีสองสำแหลงนะแหล่งก็คือสิ่งเสพสิ่งบริโภคเงินทอง ที่เราผมทราบดีแต่ว่าหลายคนจะลืมไป ว, ว่าความสุขอีกแหลง่งหนะึ่งที่หมายความสุขอีกแหลง่งหนึ่งก็คือจิใจหรือควาสมสงบใจซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะมันเกิดขึ้นจากธรรมชาติมันเกิดขึ้นจากวิถีชีวิตเกิดขึ้นจากวัฒนธรรม แล้วเกิดขึ้นจการฝุกใจสามารถจะวางจิตวางใจได้อย่างถูกต้องมันมีเรื่องราวเรื่องเล่านะเกี่ยวกับชาวููถาาคนที่เล่านี้ก็ปัจจุบันเป็นประหลาดสุวขเกี่ยวเรื่อง ค, คมนาคม แกเป็นคนบุมทางตอนเด็กๆ เ, เนี่ยอายุษษษษษติดขวดแกไม่สบายไม่ได้ไปโรงเรียนก็เขาจะปวดอยู่ประมาณสองสามวัิทิบ่งจะเป็นขาหักหรือแขนทำสักอย่างแกก็เล่าว่าตอนที่อยู่บ้านเนี่ย คราวนเนี่ยมันมีหนูมาไม้รู้นี่นะค่อนข้างจะอารว่าสพอสมควรกักนะประสอบใส่ข้าโพดนะระสอบใส่ข้าวเนี่ยกัดแล้วก็กินแต่เพื่อจิตข้างในเจ้าก็ไม่พอใจนะเจ้วก็เอะอะวยวายตามภาษาเด็ก แล้วก็บอกให้ยายเนี่ยรีบจัดการเลยยายเนี่ยเป็นคนที่ทำบ้านําโมทำงานในบ้านไม่ได้ออกไปทำไรทำนานแล้แต่ว่าไม่ว่าจะหุงข้าวไม่ว่าจะพอผ้าพอเสือแต่ก็ภาวน า, นานล้านเนี่ยก็วอยวายว่า ต้องรีกจับจัดการกับลิขิตหนูตัวนี้ยายแกก็ดูเหมือนกับไม่รู้ไม่ชี้คือไม่ได้คุ้นวายเลยไปกับลานด้วยก็สวดมนไปแต่พอถึงเวลานะพอว่างขึ้นมายายก็เริ่มทำเริ่มทำกั บ, บกับตับจับหนูดูมั้นแกไม่ค่อยเอาหน้าท อ, องใจแกว่าแกไม่หวังสฉย ก็กับดังหนูก็ทําแบบง่ายๆนะเอาไม้มาวางไม้แผ่นเล็กๆมาวางกับพื้นแล้วก็เอาข้าวเหมนปั้นเนี่ยมาวางไว้บนแผ่นไม้แล้วก็มีคล้ายๆเป็นเป็นโผล่นะทําด้วยไม้เนี่ยคล้ายๆเป็นกับชุดคท้ายเป็นเหมือนกับครกของเรานะวางไว้เหนือแผ่นไม้นะั้นโดยมีไม้สี่เล็กๆเนี่ยค้ำมาไวา้ ง่ายๆเพื่อว่าถ้าหนูเนี่ยนะมันมนกินมันมากินข้าวเนี่ยมันอาจจะเผลอปแปลกๆไปถูกซีไม้พอซีไม้ลุดเนี่ยไอ้ครบนั้นเนี่ยมันก็จะมาครอบหนูเอาไว้ก็เป็นอามันจับจับได้แต่หนูก็ฉลาดนะวันแล้ววันเล่าเนี่ยหนูมันก็ไม่เคย พลาดไปแปะถูกซีไม้เด็กก็ไม่พอใจนะเพราะว่ามัมนก็ว่าเสียรู้หนูหนูหนุ่งปิ้ข้าวทุกวันทุกวันทุกวันตัวทีว่ทจับไม่ได้เด็กก็มีความไม่พอใจแต่ว่ายายก็เฉยยายก็ไม่เห็นเดือดร้อนน า, นาทาร้อนใจอะไรอาทิตย์หนึ่งผ่านไปก็ยังจับหนูไม่ได้ 2อาทิตย์ผ่านไปก็จับหนูไม่ได้ถึงนอาทิตย์ที่สามเนี่ยหนูมันเกิดปลามันไปแกกถูกซีไม้ ไ, มไอ้ครกแฮมก็เลยครอดหนูไว้เด็กก็ดีใจนะออกไปที่นอกบ้านไปประ ก, กาศให้ใครก่อใครรู้ว่าจับหนูได้แล้วพรารอมานานตรงข้างป้ยายนะยายก็เฉยๆจับได้ก็ไม่ได้ยินดีอะไรเลยก็ยังทำงานเัวเอนไปหูงข้าว แล้วก็ทําความสะอาดบ้านจนกระทั่งสายๆเนี่ยยายก็เตรียมพกข้าวเอาข้าวเนี่ยใส่กระบอกไม้ไฟ่เป็นเครื่องหมายว่ากําลังจะเดินทางไกลเวลาจะเดินทางเนี่ยจะต้องพกพกข้าวใส่ใส่กระบอกไม้ไผ่สายนี่แกก็เอา กับดับหนูเนี่ยนะทูนหัวแล้วก็เดินเข้าไปในป่าสองชั่วโมงนะสองชั่วโมงตรงถ้าไปเจอไปเจอต้นโอ๊กนะซึ่งมันมีลูกนะลูกไม้ตกลงมาพื้นดินเนี่ยที่แยะแล้วก็มีกระรอกมากินตรงนั้นแหละที่ยายเนี่ยวางดักหนูแล้วก็ปล่อยหนูเป็นอิสระ ให้หนูเนี่ยได้มาอยู่ในที่ที่มันมีอาหารอยู่เสมบูรณ์แล้วก็เดินกลับว่าเรื่องเรื่องนี้เจะมาว่ามันสะท้อนอะไรบางอย่างนะมันไม่ใช่เพียงแต่สะท้อนถึงนิสัยที่เปลี่ยนมาด้วยเมตตาตของยายที่อีูต่อสัตว์หนูเนี่ยมันจะกัดมันจะทำลายข้อของงนี่ยายก็ไม่โกรธไม่เกลียด กลับมันได้ก็กินแต่ก็ไปปล่อยปล่อยอยู่ที่ที่ดีกว่ามีอาหารจอมเสียเวลาเนะเดินไปกลับเนี่ยสี่ชั่วโมงแล้วก็มันไม่ใช่เป็นที่รางนะภูฐา น, ะนก็มันก็เป็นทางลาดเป็นภูเขาแต่ถ้าเรามองดีๆเนี่ยมันมันสะท้อนถึงวิธีการวางใจ ของยายด้วยไม่ใช่แค่ความเมตตายายเนี่ยนะก็รู้ว่าหนูเนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วก็ดูเหมือนว่ายายเนี่ยก็ไม่ได้อนาทอรร้อนใจอะไรเลยเวลาหลานมาบอกว่าโอ้ยหนูนี่มันมาเล่นงานนะกระสอบนะยายก็ดูเฉยเฉยเหมือนกับว่าไม่ยินร้ายแต่ยายไม่ได้นิ่งเฉยด้วยนะถึงเวลายายก็มาทำกับจับหนูเพื่อแก้ปัญหาตอนที่จําหนูไม่ได้ เด็กก็ไม่พอใจเด็กก็เครียดแต่ว่ายายก็เสือครั้งจับได้เด็กดีใจยายก็ไม่ได้ยินดีอะไรเมื่อจับได้เนี่ยนะรูเป็นของยายแล้วยายก็ไม่ทำอะไรกับ ม, ม, มันก็แค่ไปปล่อยมาสกอสถึงสิ่งที่ทำพุทธศาสนาเนี่ย เรียกว่าการทำกิดพวกพูดแบบการทำกิจมีปัญหาก็ต้องแก้ดูเหมือนว่ายายเนี่ยปล่อยวางแต่ที่จริงเนี่ยการปล่อยวางของยายเป็นแค่การปล่อยวางที่ใจแต่ว่ายายก็ลงมือทำลงมือแก้ปัญหาอันนี้เรียกว่าทำกิดทำกิดคือการแก้ปัญหาระหว่างที่ทาระหว่างที่ปัญหา ย, ยังไม่หมดนะยังจับหนไม่ได้ ภารกิจจะไม่สําเร็จกายก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไรไม่ได้โมโหไม่ได้บุญหิตเป็นข้อคิดที่ดีนะเพราะหลายคนเนี่ยเวลทาทํางานเนะี่ยพอร่วง ม, มีปัญหาก็รุมร้อนน่าจะแก้พยายามแก้ปัญหาจากหาที่ปัญหาเล็กแก้ไม่เสร็จก็จะมุญหิีเหมือนกับเราเดินทางเหมือนเราเดินทางมาโรงเรียนหรือเดินทางไปทํา ง, งาน บางทีรถมันติด น, นะแ้วคนช่วยส ม, มุนกิจพรามันไม่ถึงสักทีแต่สลยายเนี่ยนะแมงานยังไม่สำเร็จนะก็ไม่มีผิรู้จักคอยนี่เรียกว่าทำจิดพอจับได้สำเร็จแล้วย้ายก็ไม่ได้ดึงโลด ผลงานที่ได้ก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอันนี้เราปล่อยวางยายเนี่ยสะอ้อนี้นถึงถ้าเรียกแบบภาษาพเทาคัวยายเนี่ยเรียนได้สะพอนี่คการปล่อยวางแต่ปล่อยวางของยายไม่ได้แปลว่าปล่อยปากแล้วเลยลงมือทํแต่ทำด้วยใจสงบ มันเป็นข้อที่สำหรับการใช้ชีวิตและการทำงานนยะของพวกเราได้เป็นอย่างดีนะคือว่าเวลาทำอะไรเนี่ยเราไม่ได้แค่ทำกิดไม่เป็นการทำหมาจิตไม่เป็นการแก้ปัญหาแต่ว่าทำจิดไปพร้อมๆกันนะในทางพุทธศาสนาเนี่ยทาจิตกับทำกิดให้พปนคู่กันนะ คนมากเข้าใจพุทธศาสนาสอนให้ทำกิดหรือทำใจยอย่างเดียวแต่ที่จริงแล้วเนี่ยท่านสอนให้ทำกิดด้วยยกตัวอย่างเช่นหลายคนคุ้นกับคำหลักคำสอนเรื่องความวิหารสิเมตตากรุณามุทิดเจด้าเบ็ขาหลายคนก็ทำเท่านั้น แต่ลืมว่าพุทธศาสนาสอนหลักธรรมที่คู่กันคู่กันเลยนะสังาาสทางวัตนถะุศีลทานการสละการให้ปิยวาจาการพูดดีพูดไพเราะพูดสุภาพนะคุณได้ํำในทางที่ดีอัจริยนะการลงมือช่วยเหลือไม่ได้ช่วยหรือวัตถุไม่ได้ช่วยด้วย คำพูดแต่ช่วยด้วยการลงมือรมด้วยแล้วก็สมานัตตาคือการปฏิบัติแบบสมรรถสมรสไหลสมรรต้นสมรรายหรือว่ารวรวมสุดเนือสมานัตตามานัตลายสมานัตตาทานเทียววิจาริยาสมานัตตานะพวกนี้เป็นการทำกิจนะหลายคน ไปหยุดอยู่ที่แค่การทําจิตเวลามีใครเดือดร้อนก็แค่แผ่เมตตาแต่ไม่ได้ลงมือทำจงถ้าบางทีมันมีคนพูดว่าเนี่ยภลัาที่พูดว่าเนี่ยชาวพุทธไทยเราชอบเอาแต่แผนให้ตาอยู่ในมุง้งสมัยก่อนเรานอนมุ้งนะคือทําแค่นะั้คือแผ่เมตตาในมุง้งไม่ได้ลงไปช่วยด้วยการให้ทานด้วยคาพูดที่ให้กําลังใจ คำแนะนำด้วยการลงมือช่วยเหลือด้วยการรวบรสมสมุนบารสมุนไลน์นั้นทาทำทำจิตคือเมตตากรุณาเนี่ยดีแล้วไม่โกรธไม่เกลียดนะใครได้ดีแล้วก็มุม่งมุ่งพุทตาจิตนะนดีเขาด้วยนะช่วยไม่ได้เราก็อู้เบกดขาดหรือว่าเวลาเขาเดือดร้อนก็ทำอะไรไม่ได้ก็อู้เบกดขาด แต่ถ้าไม่พอนะเราต้องทํากิจเมตตาอีกนิพอต้องลงไปช่วยเหลือพะที่คนไทยเราไปเรีอนว่าชาบพุทธไทยไปเข้าใจว่าพุทธศาสนาแค่นีเมตตากรุณาุมตตาใจกวาอันนี้เรียกว่าทำกิจซึ่งไม่พอต้องไปทํากิจ ด, ด้วยตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะก็คือคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยที่พูดถึงเรื่องความไม่เที่ยงอนิจจ์ นี่เป็นคาสอนที่แสดงศัจธรรมขั้นพื้นฐานว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแต่เวลาผู้เจ้าไน่พูดถึงเรื่องความไม่เที่ยงบางครั้งท่านจะพูดเพื่อให้ปล่อยวางอย่างเช่นบางสุกุลตายาที่เราคุ้นเคยอนิจจาวัฏสงขาราอุปปาทาวายทามิโนอุปาชิชตวายนุสังกิตเ ต, ตสมุปสโมกสุโคความหมายคือว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปมีแล้วจับไปเป็นธรรมดาควาสมสงบระงับจากสำคาญเป็นสิ่งที่ท่านสอนให้ปล่อยวางขอให้ปล่อยวางว่าอย่าไปยิดมั่นถือบ้านเพราะสิ่งหลายนี้พวกไม่เที่ยงอย่างไปคิดบ้านถือม้านก็ทุกข์ ย, ยิ่งเกิดความพัดพรากสูญเสียสิ่งที่ควรทำคือปล่อยวางอย่าไปคิดมั่นถือบั่นแต่ในบางคราวท่าพุทธเจ้านเวลาพูดถึง ความไม่เที่ยงผู้เจ้ า, าจะตรัสสอนให้ผลควายไม่ประมาทเรื่องที่เด่นชัดก็คือปัจฉิมว่านะวายธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมนะีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสังปาเทนะท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้สิ่งพร้อมหรือท่านทั้งหลายจงทําประโยชน์สิ่งพร้อมด้วยความไม่ประมาท แปลว่าแปลว่าอย่ายู่เฉยอย่าปล่อยเวลาผ่านเลยไปต้องลงมือทําต้องค้นคว้าเร่งรีบทำบางคนก็สงสัยพุทธเจ้าเนี่ยสอนไม่ไม่คงเส้นคงวาเดี๋ยวสอนให้ปล่อยวางเดี๋ยวสอนให้ค้นคว้านะไปเข้าใจพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ถูกต้องไม่คงเส้นคงวาขัดแย้งกันที่ไม่ขัดแย้งหรอกปล่อยวางนี่คือ ปล่อยวางที่ใจนะเรียกว่าทําจิตแต่ในทาเดกันก็ต้องทํากิจด้วยอย่างเช่นเราเราก็รู้ใช่ไหมวลาเราทั้งหลายทุกคนก็ต้องตายนะกว่าจะตายก็อาจจะต้องเจ็บต้องป่วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายรามีสุขภาพดีเนี่ยเราต้องเร่งรีบต้องเร่งรีบทาความดีต้องเร่งรี บ, รรบให้เวลากับพ่อแม่นะต้องให้เวลาดูแลลูกหลาน รวมทําเตรียมติดเตรียมใจเพื่อรับมือกับความแปรเปลี่ยนความผันผวนความขัดแย้งความเจ็บป่ว ย, ยและความตาที่จะเกิดขึ้นต้องทําจิตนั่นให้เข้าใจนว่าครูศาสนาไม่สอนให้ทำจิตเพื่อผู้การทําจิตไม่ใช่ว่าสอนให้ปล่อยวาแวกกฤฤฤงแต่เพื่อตัวคือหดูอย่างเช่นเวลาเราป่วยนะ เวลาเราป่วยเนี่ยนะก็ต้องต้องรู้จักวางรู้จักปล่อยวางเพราะถ้าเราไม่ปล่อยวางเนี่ยเราจะหมุดเดืดเราจะโมโหนะต้องตระหนักว่าร่างกายไม่ใช่ของเรามันไม่สามารถจะเป็นไปตามใจเราได้ถ้าเราปล่อยวางได้เนี่ยนะมันจะป่วยแต่กายใจไม่ป่วยนะแต่ไม่ได้แปลว่าทําแค่นั้น ต้องไปรักษาด้วยต้องรักษาตัวเองด้วยต้องไปหาหมอต้องเยียวยากินยาหรือดูแลตัวเองอันนี้เราทำกิดต้องทำสองอย่างทำกิดและทำกิจบ้านไม่ใช่ของเราคนะวบคุมเห็ุปัจจัยไม่ได้ถึงเวลาหลังคารั่วตอนน้ำแตก ก็อย่าไปโกรธอย่าไปโมโหอย่าไปมุ่งมิตรนี่เราปล่อยวา่าใจเนี่ยใจสงบแต่ว่าต้องซ่อมนะฮะถ้าซ่อมเองไม่ได้ก็ไปเรียกคนมาซ่อมไม่ใช่ว่าเออบ้านไม่ใช่ของเรามันจะรั่วก็รั่วไปไม่ถูกนะอะไรที่ไม่ใช่ของเราไม่แต่ว่าเราไม่ไป่ทำหน้าที่เราไปยืมรถเคลื่อนมา เราไปยืมโทรศัพท์ของเพื่อนมาไม่ใช่ของเราใ ช, <_ name> ใช่ไหมนั่นแปลว่าเราจะใช้มันยังไงก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมแล้รถไม่ใช่ของเรานะ้รถโทรศัพท์ไม่ใช่ของเราเราก็ที่เราก็ยังมีหน้าที่ที่ต้องรักษาความจริงรที่ว่าอะไรไม่ใช่ของเราไม่ได้แปลว่าเราไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ร่างการไม่ใช่ของเราแต่เราก็ต้องดูแลใจใส่ บ้านนั่นใช่ของเราเราก็ต้องขนไายถ้ามันเสียถ้ามันพังไปก็ต้องซ่อมคนนี้เข้าใจเรื่องปล่อยวางติดนั่นก็ต้งพระนะก็มีเรื่องเล่าว่าสมัยที่วัดหองปลาโพนี่ยนะยังไม่ค่อยมีกุฏิที่ดีเท่าไหร่เนี่ยก็ประมาณตั้งสี่ิหสิบปีที่แล้วเนี่ยหลวพ่อชาตอง น, นั้นก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากมีคลานุมก็มีพายุฝนฟาพายุพายุแรงนะ กุติซึ่งก็ซึ่งบุงด้วยยญาคามันก็โดนลมพัดมีกุติหลังหนึ่งก็โดนหลังคาก็โดนพัดไปอหายไปครึ่งหนึ่งหลวงพ่อช้างเขาก็ไปดูนักกุฏิหลังหนึ่งเนี่ยนะที่หลังคาถูกพัดไปเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยนะก็มีพระเนี่ยท่านนั่ง ภาวนาอยู่และท่านก็ไม่ได้ทำอะไรกับหลังคาทั้งที่เวลาผ่านไปหลายวันแล้วงพ า, าก็ถามว่าท่านทําอะไรทำไมไม่ซ่อมหลังคาพระตอบวาผมกำลังสึกปล่อยวางครับหลวงอเ้าก็บอกว่าปล่อยวางเนี่ยนะมันในแบบพุทธศาสนามันไม่ใช่วางเสียแบบลอยแบบว่ายนะต้องไม่ใช่มันต้องใช้ปัญญาก็คือว่า เมื่อมันหลังคาร่วกก็ต้องซ่อมนะปล่อยวางนี้เป็นเรื่องการทำกิจส่วนการทำกิจก็ยังต้องทำตามกรณีา้ิกาชพูดแล้วข้าใจากิจเยอะเวลาคนไทยทำตัวไม่ถูกต้องเช่นเพื่อร่วมงานหรือไม่ระคนไใยวัด เราก็มีกิดที่ต้องไปทักทวงต้องไปแนะนาต้องไปตักเตือนเพราะว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยมันก่อผลเสียกัะส่วนรวมนะหลายคนก็บอกว่าไม่ควรทำนะเรามีหน้าที่ดูจิตอย่าเดียวก็พอเขาทำผิดยังไงก็เป็นเรื่องของเขาเราทำจิตของเราอย่างดียก็พอแนละ้ว ที่จริงเนี่ยสิ่งที่ควรทำคือว่าทําจิตจดีแล้วแต่ต้องทํากิจ ด, ด้วยทำกิจในท่ะที่รับผิดชอบต่อส่วนรวมก็ไปบอกเขาแต่ระหว่างที่บอกเขาเนี่ยนะก็อย่าทําด้วยความโกรธความเครียดระหว่างที่แนะนําเขาก็ดูจิตเราไปด้วยรักษาจิตเราไปด้วยคือว่ามีเมตตานี่ก็สิ่งที่พระเจ้าเนี่ยแนะนํากับพระกับโยม ท่านให้หลับไว้ว่าเวลาจะแนะนำทักทวงใครเนี่ยให้มีองค์ประกอบขั้นการนั่นคือหนึ่งทำด้วยจิตเมตตาสองใช้วาจาที่ไทยหรอพิยาวาจารหรือวาจาสุภาพสามสิ่งที่พูดเป็นความจริงสี่มีประโยชน์กับเขาถ้าถูกเวลานะไม่ได้แปลว่า ปล่อยให้เขาทําผิดทำพลาดต่อไปปล่อยเขาสร้างปัญหาต่อไปเวลาและเวลาใครที่ทําไม่ถูกต้องบางทียะมีการโองกันคอรัปชั่นกันเราก็มีหน้าที่ที่ต้องคิดว่าจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรแล้วก็ลงมือทาถ้าอยู่ในวิสัยที่เราจะทําได้ระหว่างที่ทํานั้นเนี่ยเราก็ทำจริงมาไปด้วย นะอันนี้ใช้ได้มากขึันกับครอบครัวของเราเวลาสามีเวลาลูกทําให้ถูกต้องเราก็ควรจะพูดแนะนําแต่ว่าจะ ท, ทําด้วยความโปรจะ ท, ทําด้วยความมองหจะอย่าใช้อารมณ์พูดง่ายโดยเพราะอารมณ์ที่เป็นลบใช้อารมณ์ที่เป็นบวกก็ได้นะใช้ความเมตตาเมตตาที่ก็เป็นอารมณ์นะเป็นอารมณ์ฝ่ายเดียวทำงาน ก็เป็นการทํากิจแต่แว่าก็ต้องทํากิจนะเช่นทํางานอย่างมีสติอาจารย์ผู้ช่วยบอกว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมเป็นคําสอนที่เชื่อมระหว่างการทํากิจและทํากิจและเราที่เราทํางานนี่นะบางทีเราไม่ทำไม่ทํากิจเราก็เลยเครียดเราก็เลยเครียด มันเครียก่องทำแล้วพอที่คนมาบอกว่ามีปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาหัวเราเครียดเลยเราก็ทําแต่ทำด้วยความเครียดถ้าเปรียบกับคุณยายคนนี่ยคุณยายครูถาเนี่ยพอแกรื่องมีปัญหาแกก็รู้ใจแก ก, ก็สงบแต่สงบแล้วไม่ได้แปลว่านิ่มเฉยแกแก็ลงมือแก้ปัญหาทำกลับตับเลยระหว่างที่งานยังไม่สําเร็จนะก็ไม่เครียด เนี่ยว่าทำจิตไปด้วยทำจิตไปด้วยสำเร็จแล้วก็ไม่ยินดีไม่ลิงโลดล้มเหลวก็ไม่เสียใจเป็นการทำจิตตลอดเวลาแล้วเราจะรู้สึกว่ามันสบายเราจะรู้สึกว่าทาการทำงานเนี่ย มันสามารถจะเป็นที่หมายความสุขได้หลายคนทํางานเนี่ยทำแต่กิดทํากิจแต่ไม่ทํากิจเครียดหุดหงิ ด, งดกังวลบางทีทะเลาะกับเพื่อนร่วม ง, งานนะบางทีระบายเอาความทุกข์มาระบายใส่ลูกใส่คนรักในบ้านมันทําได้นะทํางานเนี่ยพวก็คือแบบการทําทํากิจและทํากิจ เวลาทำงานถ้าเราไม่ทํากิดนะเราเครียดเรากังวลเมืม่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จครั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่เดียงที่คิดก็ผิดหวังโมโหเรียกว่าซ้ําเติมด้วยเสียงานหรือเสียใจหรือเสียเสียเสียความสุขอีกแต่ถ้าเราฉลาดนะเราเราาักษาใจให้ปกติแล้วเราก็พิจารณาไตครค่ตรองว่ามันเกิดจากอะไร ความผิดพลาดสามารถทำให้เราเกิดปัญญาได้นี่เรายกว่าทำจิตทำจิต น, นี่มีความหมายทั้งเรียกว่ามีมสตินะรู้จักปล่อยวางปล่อยวางคือทําปัจจุบนันให้ดีอย่าเพิ่งไปสนใจอนาคตกุดหมายอยู่ไกลใจอยู่กับปัจจุบนนะันนั่นเรียกว่าเป็นการปล่อยวางก็คือปล่อยวางจุดหมายวเวลาเดินทางไกลเนี่ยถ้าเราสนใจกุดหมายเนี่ยเราจะเดินทางแบบเครียดแล้ว่าจะไปเที่ยว แล้วคนไปเที่ยวแต่เครียดเพราะว่าใจามันไปจดจ่อที่จุดหมายยเชียงใหม่อยู่ที่ภูเก็ตไม่ถึงสักทีรถติดเคื่อมินีเลยไปเที่ยวแต่แท้แต่เครียดเพราะอะไรเพราะใ จ, ม, จ, จ, จมันจดต่อจุดหมายจุดหมายอยู่ไกลใจอยู่ปัจจุบั น, น, นก็คื อ, อยังล ง, ลงมือทาแต่ว่าใจาป่อยวางจุดหมายลืมจุดหมายไปก่อน มันจะเสร็จเมื่อไร่มันจะถึงเมื่อไรไม่สนใจแต่ทํทาทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่างนี้แหละที่มันจะทําให้เราเกิดสิ่งที่เรียกว่าทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสทําเต็นที่เลือกคือการทํากิดส่วนไม่ซีเรียสเนีย่ยเป็นเพราะการทรําผิดทําได้นะทําเต็นที่แต่ไม่ซีเรียสแลเะเคนไม่เข้าใจว่าทําเต็มที่มันต้องซีเรียสไม่ใช่เลย ถ้าถาเชนนแปลว่าทำจิดและไม่ทำจริงมันก็เลยเสียดนะเนี่ยคือเครียดนะทำเต็มที่แต่ไม่เสียดทำได้นอกจากใจไม่ทุกข์แล้วนะบางทีทำได้ดีเล่นนะเพื่อทาไมเป็นเป็นนักบวชนะแกะบวชแบบเซนบวชแบบเซนนี่ก็มีครอบครัวได้นะแกจะไปกั บ, กบแต่มาปฏิบัติแบบเซน จะเล่าว่าอาจารย์ของอาจารย์เนี่ยซึ่งเป็นคนที่มีชื่อมากเป็นชาวญี่ปุ่นมีชื่อมาในเมิกาเมือ่อสักหรือพอเมื่อห้าสิบปีที่แล้่ชื่อชุนยูสุสุกินะสุสุกิมีสองสุุกินะสุสุกินี่ก็คือดีทีสุสุกิก็มีชื่อส่วนชุนเรียนนี่ก็มีชื่อนะเพราะว่าเป็นผู้ที่มาสร้างวัดเซนแห่งแรงงในเมริกา ตอนที่ตอนที่สร้างเนี่ยเมื่อปี1960เนี่ยแกก็อายุประมาณสัก60แล้วคนญี่ปุ่นคนที่คุ่สมัยก่อนตัวเล็กและเวลาสร้างวัเนี่ยต้องลงมือทำเองนะเพราะว่าค่าก่อสร้างมันแพงพระจ้ามันแพงแกก็แบกเสาแบกหินด้วยตัวเองแต่โชคดีดีขึ้นมีลูกสิช่วยลูกสิเป็นคนอเมริกันหญิงสาวอายุ19 20 21พวกเนี้ยเริ่มหามาสนใจ ปัญญาตะวันออกรุ่นเดีย ว, วกับพิเทอร์นะคุณทต่อไปบางโอกาบเป็นพิพี้คุณฟาร์ชนหลายคนก็เดินทางมาอินเดียบางคนก็ราบวกครับลูกศิษย์นี่ก็มาช่วยขนหินแบกไม้แบกเสาทำไปได้ขึ้งวันเหนื่อยส่วนอาจารย์นี่ยังทำไปได้เรื่อยๆทำไปทั้งวันลูกศิษย์นี่งงมากเลยอาจารย์ก็ตัวเล็กกว่าอามากกว่า ก็เลยถามว่าอาจารย์ทยําไป้ยังไงอาจารย์ตอบว่าก็ผมพักตลอดเวลาอาจารย์นะงงห่าพักตลอดเวล า, าลูกสิงหงก็าอาจารย์ทําตลอดเวลาเนี่ยอาจารย์บอกพักตลอดเวลาได้ยงไงใจอ่ะพักกายอ่ะทำแต่ใจพักนีใจเนี่ยไม่ไม่แบกไม่แบกเอาความคาดหวังว่าเมืม่อไหร่จะเสร็จไม่มีความมีกบกลัวลไม่ต้องแบก ตัวแบกหินแต่ว่าใจเนี่ยวาง น, นี่ระหว่าทําผิดและทําผิดทุกสิษย์ทำทำผิดแต่ไม่ทําผิดนะทำไปก็ปวดไปเมื่อไหร่หรือไม่ก็กังวลไปเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จเวลาเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยแต่กายใจก็เหนื่อยด้วยเพราะใจไปแบกเอาความความเหนื่อยของกายมาเป็นความเหนื่อยของกูถ้เวลาโยนเนี่ยท่านท่านนั่งเนี่ยนะนั่งแบบนี้ไม่ไม่ทำผิดนะบางทีจะทุบพรพ ความเมือ่อยเวลาคนเราส่วนใหญ่ยังไม่ได้เมือนะม่อยใจนะใจก็เมื่อยเพราะใจเนี่ยไปแบบเอาความเมื่อยของการมาเป็นความเมื่อยของกลัเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้เมื่อยหรือเราไม่ไเมืม่อยหรือว่าเครียดที่กายใชรส่วนใหญ่ใจด้วยเพราะไม่ทาจิตจิตมันก็ไปยึดเอาความทุกข์ของกายมาเป็นความทุกข์ของกูลัว แาจารย์ชูเลี้ยนี่ไม่อยู่แบบนี้นะอาจารย์ชูเลี้ยนแกมีสติ่กปล่อยวางใจปล่อยวางกายเหนื่อยก็เหนื่อยไปใจไม่เหนือใจก็อยู่กับปัจจุบันแต่ไม่ได้แบกอะไรเห็นไหมว่าการทํากิจและการทํากิจเนี่ยนะมันทําให้คนทํามีความสุขแล้วก็งานก็ทําได้ดีด้วยเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ชูเลี้ยนเนี่ยคือทําแบบที่อาจารย์พูดท่ายเรียกว่าทํางานได้จิงว่าง ตนะิดว่างคือติดไม่ได้ยึดถือไม่ได้กาะเกี่ยวกับอนาคตไม่ไปติดจออยู่กับจิดหมายปลายทางไม่สนใจว่าเมื่อไหร่จะเสร็จและขณะเดียกั น, ในใ ก, ก็ไม่ไปยึดติดกับความทุกข์ความเครียดของกายวางได้และจะไม่มีความกังวล น, นะแม่งานไม่เสร็จ ส่วนโมกเนี่ยเมืมาตั้งสี่สิบห้าสิบปีก่อนเนี่ยมันมีการก่อสร้างอาคารหลายหลังเช่นโรงพยาบาลธรรมวิญญาณสร้างแต่ละอาคารแต่ละหลัง่ใช้เวลาหลายปีก็ใช้กําลังใช้แรงพันหนึ่งถ้าจ้างก็เสร็จแล้วไปในเวลากี่เดือนแต่ว่าที่ส่วนโมกใช้เวลาหลายปีมีครัวหนึงก็มีการสร้างอาคารชื่อว่าธรรมนา ว, วา ลูกกลงเป็นเรือใช้สำหรับเก็บน้ำน้ำฝนแล้วก็เป็นอาคารสำหรับทำพัธีสวดมนต์หรือว่าแสดงธรรมเวลามีฝนตกก็าาลาหินโค้งมันโลง่งก็มีครารหนึ่งเนี่ยหลังจากที่สร้างไปได้สักครึ่งหนึ่งได้ก็มีลูกสิบมาหาอาจารยพุทธาถามอาจารย์เรือนี่เสร็จไี่ยังันตอบว่าเสร็จแล้วแล้วก็ดีใจไง อีกเนี่ยอีกใจันก็แปลกใจเพราะว่าสามสองสเดินก่อนมาดูเรือเพิ่งไปไแค่ครึ่งเดือวเกสร้างได้ครึ่งเดียวเลยกเยลยไปดูเรือบอกว่ายังสร้างไปไม่ถึงไหนงงอาจารย์บอกวเสร็จแล้วก็เลยมาถามถา ท, าาถาท่านาอาจารย์พธอทาอาจารย์ทากว่าเสร็จแล้วมันยังไปไม่ถึงไหนท่านบอกเสร็จนะ วันนี้เสร็จพรุ่งนี้เสร็จมาลุนนีก็เสร็จเสร็จทุกวันงงมมันเป็นมันเป็นมันมันเป็นคำพูดที่ออกมาจากใจเหมือนกับท่านชุนเยี่บอกว่าผมพักตลอดเวลาคือเวลาท่านทำงานเนี่ยท่านก็ทำเต็มที่นนะคราบท่านยา บ, บุษธาแต่เวลาเลิก ง, งานเวลาพักงานท่านไม่เียงแต่วางเครื่องไม้ขค้ื่มือลงจากมือนะ ท่านวางงานออกจากใจด้วยคนเราเนี่ยเวลาทําอะไรเสร็จเนี่ยเราจะรู้สึกผ่อนคลายใช่ไหมะะถ้าจะบูชาท่านวางงานท่านก็รู้สึกผ่อนคลายสบายท่านก็เลยพูดว่าเสร็จคังสุขท่านเนี่ยมันเหมือนก็เสร็จทุกวันใช่ไม่ว่าจะุูดอีกทีคือเสร็จทุกขณะก็ได้เพราะว่าใจเนี่ยไม่ได้ไปยึดถามว่าทํางานไม่ทําทําจริงไม่ทําจริงไม่มีอู้ไม่มี ไม่มีอะไรเลยนะถามว่าเหนื่อยไม่เหนือ่อยแต่ว่าใจเนี่ยโปรง่งโล่งเบาเนี่ยเป็นศิลปะนะศิลปะในการทำงานที่คนมักจะมองข้ามคนส่วนใหญ่นะจะมีลักษณะแบบใด แ, แบบหนึ่งก็คือทำจิตแต่ไม่ทำจิตเลยเครียด ทำงานก็เครียดเลี้ยงรูกก็เครียดใช่แต่ทำนะสำเร็จนะงานสำเร็จนะแต่สุขภาพยแย่นอนไม่หลับความสัมพันธ์คอยทำให้ความสัมพันธ์กับเพื่อโรงงานกับคนในบ้านแย่เราเจอเยอะเนะี่ยพวกที่งทำงานสำเร็จเป็นผู้จัดการเป็นซ e อเป็นเศรษฐีเป็นที่รู้จักแต่ว่าร่างกายแย่นะเครียดนอนไม่หลับกินงา น, นอนหลับทุกวัน บางทีพอสมผักับลูกไปแ ย, ยน่นี่เรียกว่าทํากิจไม่ทํากิจมันเลยทุบแล้วเราบาดความทุสกสัใส่คนรอบข้างที่ระเทศหนึ่งก็คือไม่ทํากิจแต่ทํากิจแต่นี่ก็เจอเยอะนะตามวันดนี่กี่ส่วนรวมไม่ทำนะกลัวว่าใจใม่กลัวจะทําให้ใจไม่สงบนะทาครัวล้างจานนะกวาด ใบ ไ, ไ, ไ, ไม้ไม่ทําหรือว่าีอาจจะทําก็ได้แต่ว่าพอมีเรื่องของส่วนรวมเนี่ย ไ, ไม่ทํามีเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่มันต้องอาศัยความร่วมมือแล้วมีอารักทีมีแรงต่างไม่ทําทําแต่จิตก็คือว่าฉันจะขอรักษาใจให้สงบแต่ว่าฉันไม่ทําผิดแตละทับชอบมันจะเป็น ส, สองขั้วเลยนะ เป็นสุดโต่งสองทางพุทธศาสนานรี่เป็นทางสายกลางทำจิต ด, ด้วยนะทำอย่างขงยันขันแข็งแต่ว่าจิตเนี่ยก็ทำด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่เครียดนะจิตก็เป็นสุขนอนก็หลับแล้วทำได้ดีด้วยนะเพราะว่าพอพอไม่เครียดเนี่ยพอไม่มีความปวดความเกลียดเนี่ยมันก็ใช้ปัญญานี่เห็นเป็นที่ ก็สามารถจะคิดอะไรให้ถูกรูโปร่งการทำกิจเนี่ยน่าจะแก้ปัญหาก็จะก็จะสามารถแก้ปัญหาได้โดยที่ไม่สร้างปัญหาใหม่ถ้าเราทำกิจและเราไม่ทำกิจเนี่ยเราเราจะแก้ปัญหาเดิมแต่ไปสร้างปัญหาใหม่ทะเลาะ ก, กันเนี่ยทำงานเสร็จแต่ทะเลาะ ก, กันกบเพื่อร่วม ง, งานมองหน้ากันไม่ปิด สำคัญมากเรื่อการทำผิดและการทํากิตนะครับพวผูเราต้องเข้าใจดีบางทีเนี่ยเราไปเราไปเข้าใจปล่อยวางก็เลยเป็นข้ออ้างในการไม่ทำไม่ทำผิดมันมีนะกิเลสมั น, นฉลาดนะคือกิเลนี่มันอยากจะอยู่สบายความมีแต่ตัวเนี่ยมันก็อ้างว่ากําลังปล่อยวาง กำลังทำติดอาตมาเนี่ยเคยู่ครามหนึ่งนะที่วัดเมื่อ20ปีทีแล้วเนี่ ย, ยมันมีคนมาลักสมุนไพรก็มีคนมาแจ้งอาตอมาก็เลยเรียกข้ามเนยโยมให้ไปช่วยไปตามหาไม่ได้ที่จะทําอะไรเราก็แค่ให้รู้ว่ามีคนใส่ใจป่ามีคนใส่ใจสิ่งรอบในวัดเพราะว่าเป็นก ฎ, ฎของวัดอยู่แล้ว ชาวบ้านก็รับรองว่าไม่ตัดศพใคลไม่ตัดไม้เลยว่าแล้วก็เรียกพระเนร์มปช่วยช่วยไปตามไปไล่ออกจากวัดก็มีภาพลุน้นท่านบอกท่านไม่ไปเพราะว่าท่านปล่อยวางท่านบอกว่าป่าไม่ใช่ของเราอาจะเห็นว่าป่าไม่ใช่ของเราก็จริงนะป่าไม่ใช่ของเรา แล้วเราก็ไม่ที่จะยึดวัป่ายึของเราแต่เราควรมีเมตตากรุณาต่อป่าให้ป่าเอื้อเพื่อเราให้ความสงบเยือนกับเราให้ที่พักที่ดีกับเราเราควรจะมีทั้งเมตตาและความกตัญญูเราไม่ได้รักษาป่าเพราะป่าเป็นของเราถึงแม้เป็นป่าของคนอื่นเราก็ควรทําหน้าที่นี้เพื่อแสดงความกตัญญูและเมตตากตัญญูต่อป่าและเมตตาต่อชีวิต เล็กน้อยใหญ่ในป่าไอการทำกิดไม่ได้แปลว่าเพราะมันเป็นของเราเราจึงต้องผลฝายถึงแม้ไม่ใช่ของเราเราก็มีเหตุผลมีแรงมีเหตุผลที่จะทำเพราะไม่เห ต, ตาเพราะความประตันอยู่ทำได้สำเร็จก็ไม่ได้ดีใจล้มเหลวก็ไม่ได้เสียใจ ยังเป็นตัวเรายัเป็นปกติในเรื่องเรื่องเรื่องการทำจิตทำจิตอันนี้รนูร้นส่วนใหญ่นี่ก็เราก็ทำจิตกัมาเยอะแล้วนะเราชลาในเรื่องการการจัดการการบริหารองค์กรการบริหารคนการใช้ทักษะของเราเนี่ยในการทำิีกางานต่างๆแต่ว่าสิ่งที่เรามากกักจะพล่องหรือว่าลัดเลย หรือว่าทําน้อยไปหรือการทําจิตสิ่งที่ช่วยให้การทําจิตปัจจัยที่ช่วยให้การทําจิตเนี่ยเป็นไปได้ดีนะก็คือการมีสตินะการทำจิตมัน ม, ม, นมีมัีมีหลายตัวที่ช่วยนะเช่นเมตตากดทนขันติตแต่ว่าตัวตัวสําคัญเนี่ยที่เป็นดึงดูนในทุกเรื่องนะ ในทุกเรื่องในทุกกรณีธรรมมในิุทศาสนาเนี่ยบางอันเนี่ยใช้ได้บางกรณีนะเช่นเวลาเวลา เ, เวลามีผู้จอบบอะว่าเนี่ยเวลาที่จิตมันรุ่มร้อนเนี่ยนะหรือว่าจิตมันมีความฟุ้งซ่านเนี่ย ทำบางอย่างเนี่ยจะไม่เหมาะเช่นวิริยธรรมความเพียรหรือว่าธรรมวิทยา น, นะมะเพราะไม่ใช่การไรตรตรองใช้สมองที่เจรในใน่างนั้นเนี่ยจะต้องใช้สมาธิใช้อุเบกขานะแต่ในยางที่จิตสงบเนี่ยนะสงบมากๆเนี่ยสมาธิจะไม่เหมาะ กูเบรคขาไม่เหมาะต้องใช้ปัญญและธมรมวิจิตรนะ น, นี้พระเจ้าเตือมันก็ว่าเวลาไฟมันลุกเนี่ยนะเราไม่ควรจะโยนหญ้าแห้งเข้าไปเพราะมัทําให้ลุกมากขึ้นแน่นอนเด็กๆเวลาไฟนีน่มันมันมันใกล้จะมอดเนี่ยเราก็ไม่ควรโยนหญ้าสดเราควรใส่หญ้าแห้งหญ้าแห้งในที่นี้ ก็หมายถึงวิริยะหมายถึงธรรมวิจิตงส่วนหญตาสดนะที่ทำให้มันสงบก็คือสมาธิบุเบะขาแล้วก็ปัดแล้วก็ปัด ส, สิอันนี้เป็นธรรมะในโคชมเจ็อนะเป็นไม่เวลาอธิบายมากแต่ว่าอยากจะย้ำว่าธรรมะบางข้อเนี่ยมันใช้ได้กับบางเรื่องบางกรณีบางเรื่องถึงจะถูกต้อง แต่สติเนี่ยใช้ได้กับทุกกรณีเพราะสติเนี่ยเป็นทั้งตัวเร่งและตัวเบรเวลาเฉยเนยนะเพราะสมาธิมากไปต้องเอาสติมาเป็นตัวกระตุน้น mm hmm. เช่นพิจารณาจินมรณะสติอ mm hmm. ่มันทำให้เกิดความขวไฝหรือเวลาที่เรา mm hmm. เราแอคทีฟเราก็ตื่นร้อนหรือเราพรุ่งทันนะ ต้องใช้สติเพราะสติเป็นตัวเบรคเป็นตัวชะลอคนที่โกรเนี่ยนะต้องมีสติมาเพราะไม่งั้นเนี่ยมันทำตามความโกรธสติสําคัญนะฮะและสิ่งที่ทําให้เราทําจิตไม่ได้เนี่ยและสิ่งที่ทําให้เราทําจิตไม่ได้เนี่ยทําจิตได้ยากเพราะว่าเราเจออารมณ์อารมณ์เนี่ยมันมาตัวทําให้การทำจิตเป็นเรื่องยากเพราะว่ามันจะไปคร่อบําจิต แต่ถ้าเรามีสติเนี่ยอารมณ์โดยเพราะอารมณ์มรรคผลเนี่ยจะจะมาเล่น ง, งานจิตลองพยายามด้วยจะเป็นความวิตกกังวลความเครียดความเศร้าวความโกรธคนสมัยนี้มีความเครียดความวิตกกังวลสูงความโกรธก็เยอะและ้วบางทีก็สวิงจากจากโกรธจากโกรธเป็นซึมเศร้าและวกลายเป็นโรคซึมเศร้า อารมณ์พวกนี้น่จริงๆมันฉลาดนะพวกเราเนี่ยนะพลาดพลาเสียทีอารมณ์หลามนีเพราะว่าเราไม่รู้ทันมันฉลาดนะเมื่อจะเป็นความโกรธความเศร้าเนี่ยอารมณ์พวกนี้เนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันพยายามคองจิดกลองใจเราให้หนานที่สุดวิธีคองจิตคลองใจไร้หน้าอื่นคือว่าบางยามดวงจิตของเราเนี่ยให้พุ่งออกไปนอกตัวเวลาเราโกรธนี่นะ จิตเราจะไปพุ่งอยู่ที่คนที่เขาพูดไม่อยู่กับเราบางทีก็ไปโทษดินฟ้าอากาศโทษรถติดติดเนี่ยอารมณ์เนี่ยมันพยายามเป็จิตเราให้ออกไปนอกตัวเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราถ้าจิตเรานหันกลับมามองคนเมื่อไรเนี่ยเราจะมีสติเราจะรู้ทันความโกรธและอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันกลัวการรู้ทันนะ มันเก่งหลายเรื่องนะฮะแต่ว่ามันมีจุดอ่อนคือมันกลัวการรู้ทันแต่มันฉลาดมากเวลาโปรนี่นะมันจะพยายามใช้อุบายต่างเพื่อทําให้มันคลองติดคลองใจเราได้หนักที่สุดวิธีนึงคือการดึงสิ่งรลอไปจดจ่ออยู่ข้างนอกหรือการสรนาเหตุผลว่าทําไมเราคนจะโปรธต่อไปต้องโกรธเพื่อสั่งสอนมัน เัวไม่พอต้องดา่ามันเราจะให้คนเราเพื่อสั่งสอนมันจำได้ไหมตอนที่มีคดีอะไรอะไรกับเบื้อูอัะรู้เรื่องใช่ไหมพวกเราได้ดูเนาะได้ดูได้ดูคลิปหรือมันเป็นคลิที่น่าสนใจเรื่องแลงเรื่องดูว่าเจ้าของรถมีนิคปเปอร์เนี่ยนะจอรถอยู่ดีๆก็มีรถมอถเตอร์ไซค์ไปชนท้ายก็ไม่ได้แรงนะทีแรกเนี่ย คขนขัรถมอเซคชื่อบอยเนี่ยแกก็นึกว่าเจ้าของรถไม่รู้แกก็เลยขับเลยไป ต, ต่อหลังแกเกิดได้ได้สําำึกแกก็เลี้ยวรถกลับมาในระหว่างนั้นในเจ้าของรถเนี่ยรูนะ้แล้วแกก็เป็นคนที่ไม่ชอบอ่ะให้การชนรถหนีเนี่ยนะแกโกรธมากในชนรถหนีนีมน่มันเร็วมากทั้ง่พอแกเห็นคนขับมเตอร์ไซค์นเนี่ยววกกลับมาแกก็เดินข้ามถหมือนไปลากคอ แกลอกข้อมูลทิงรุนแล้วก็ต่อยตกต่อยมันดีประโยชน์ที่ตอนที่แกแกทํอย่างนี้แกจะใช่ว่าทําไมทําไมถึงหนีทาไมถึงหนีคือแกต้องการสั่งสอนเนี่ยสั่งสอนว่าทือหลังแกหนีแกต้องการรักษาความถูกต้องนะหรือว่าแกพยายามใช้เหตุผลว่าฉันต้องการสั่งสอนแก ปอยครั้งเนี่ยความโกรธเนี่ยมันจะหาทางมันจะหาทางมันจะบังคับเรามันจะสั่งเราให้ทำร้ายให้ตาโดยอ้างเหตุผลนะว่าเพื่อสั่งสอนบันทีไม่มีเหตุผละไรนะกลัวผู้กระดาเลยพออ่อหลายสรางนะบอกเขาบอกว่าต้องได้ตาก่อนที่มันจะหายโกรธ อย่างนี้ยนะต้องรีดบด่าก่อนที่หายโรกรธแล้วก็ว่าการด่าเป็นของดีแล้วความความกลัมันสั่งให้ต้อง ด, าดาานะ่ามันรีบด่ามานเร็วๆนะก่อนที่ปู่ถ่ายไปรีบด่าต้องรีดบรด่าก่อนที่จะหายโรกรธเมื่อเราโรกรธนี่นะมันจะ ม, ม, จะมีมันจะมีเหตุผลมันความกลัวมันสั่งให้เหตุผลมาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยโรกรธไปได้เรื่อยๆนะและ้วก็สั่งให้เราดา่าสั่งให้เราทําร้ายโดยอ้างว่าเพื่อสั่งสอน นะอารมทุกอย่างมันจะมีเหตุผลเพื่อทําให้เรายอมอำนาจของมันเช่นความโลภเนี่ยหลายคนเวลาจะคอร์รัปชันจะโกงเนี่ยนะให้ความโลภมันก็จะหาเหตุผลว่าเอ้ยนะเราทําเพื่อชาติรเราทําเพื่อเราต้องขอบวนเพื่อจะเพื่ อ, เ, อ, อ, พอ เ, เพื่อความเป็นธรรมเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ไรายมานานแล้วมันถึงเวลาที่เราควรจะได้นะให้สั้นให้ผลให้เราเนี่ยทําตามอำนาจของมัน ความโรคคนที่ติดเหล้าเนี่ยนะก็รู้ว่าเล่าไมดีใช่ไหมแต่ว่าเลิกไม่ได้สักทีมันจะหาเหตุผลว่าทำไมนะควรกินเหล้าเครียดมีคนหนึงนะไปหาหมอเนี่ยหมอก็ละอาหรือกูเลิกเลาไม่ได้สักทีหมอก็สุขภาพแกก็แยนะ่ตับก็เริ่มไม่ดีนะหมอก็บอกว่าเนี่ย ต้องเิกเหล้าแกมาทีไรแกก็มาด้วอการที่สุดเราเปิดเดอม์บอกว่ารู้ว่าแกกินเหล้าเพราะว่าว่าทำไมลุงไม่อยอมเลิกกินเหล้าเครียดเครียดเรื่องอะไรเครียดที่เลิกเหล้าไม่ได้คือเลิกเหล้าไม่ได้ก็หา เ, เอาเป็นข้ออ้างะเลิกเหล้าไม่ได้เอาเป็นข้ออา้างเราต้องกินให้มากทำ่มคือมันสร้าเหตุผลอะ ไอความโล่นี่ก็สายกลัว่าเอ้ยเราต้องปิดลราใมากขึ้เพราะเราเครียดคืออารมณ์พวกนี้มันฉลาดนะมันจะมันจะฉลาดในการที่จะคล้องปิดคลองจับเราให้หนานที่สุดเวลาคุณเศร้านี่นะความกลัวมันพยายามที่จะบังคับปิดเราให้หนานที่สุดนี่ทำให้เราเศร้าไปเรื่อยๆ เ, เวลาฟังเพลงเน่ะความเศ้ามาษาให้เราฟังเพลงมา เป็นสมุกเพลงเศร้าคนเศร้าเนี่ยยิ่งอยากฟังเพลงเศรา้าทั้งที่ฟังแล้วยิ่งเศร้าใช่ไหมแต่ทำไมฟังก็เพื่อความเศร้ายให้คล อ, องจิตข่องใจและให้หนาที่สุดเวลาเศร้าเนี่นะถ้ามีคนชวนไปไหนเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นแต่ความเศร้ามันจะบอกว่าอย่าไปเวลาคุณชวนเพื่อนเนี่ยซึ่งเขากลังเสียพ่อเสียแม่เสียคนรักเนี่ย ให้ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เขาไม่ไปนะครัไม่ต้องออยู่ความเศร้าความเศร้ามันสังมีเพื่อนสมาคนหนึ่งนะเธอเมื่อเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเธอก็ชอบผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็มีการติดต่อจดหมายกันมันจึงได้จดหมายจากผู้ชายคานนี้ผู้ชายคนนี้ซึ่งเสียงในจดหมายเนี่ยก็ไม่ได้มีความสึกแบบเธอก็คือ แค่เป็นเพื่อนเพื่อนจะมายเธอก็ซึมก็พอดีเพื่อนมาหาสองสกลุ่มนึงแล้วนะแก้งเล็กๆกลุ่มประตูบ้านเธอปิดเพื่อนก็เลยกดเปลี่นแล้วปรตูบ้นเรียกชวนไปเที่ยวพอเธอได้ยินเสียงเพื่อนเรียกนะเธอถุนเลยนะเรื่องในใจเวลาจะสุดก็ไม่สมหวังเวลาจะทุกข์ก็ยังมีคนมาขัดความความเศร้ามันบอกความเศร้ามันสั่งว่าความเศร้านี้มันจะรำคาญมากเลยนะ ถ้ามีคนพาเราไปเที่ยวเนี่ยเพราะว่ามันจะคลายอำนาจในใจเรามันเพียงฟองกิ่งของใจได้ไมากที่สุดแล้วเราก็หลงเชื่อมันเวลาเราโกรธใครนะเวลาเรามีความโกรธแล้วท่ามีคนมาแนะนําให้เราให้อภัยนะเราจะโกรธคนนั้นแทนความกลัวมันสั่งให้เราโกรธสั่งให้เราจัดการคนนั้นเพราะว่า ถ้าเราทําตามคนนั้นนี่นะความโกรธมันจากลายอำนานจในการจัดอาม่าคนนึงนะเจสิบแล้วแกเป็นคนที่ใสเรียบร้อยดีมาแต่เวลาพูดถึงใครคนนึงจะเดือดร้มาก เ, เพราะว่าอากาตะยูเธอเคยช่วยแล้วแกแล้วเขาไม่สํานึกเหมือนของแกเนรพลคุณ่ยพอเวลาโกรธนี่จะเปลี่ยนทิศสายเลยนะ เรา้เกิดขึ้นมากี่ปีแล้วสาสิบปีแล้วแม่ลูกเนี่ยนะก็พยายามที่จะให้แม่คลายความโกรธเพราะว่าแม่โกรธที่มานานคนระับกลัวว่าแม่จะไปอาบายถ้าโกรธแบบนี้ก็เลยแนะนำขอร้องให้แม่แหกไพแม่ว่าลูกนะราวกับว่าลูกกาลังแย่งชิงของรักของผมไปจากแม่ ความโกรธนี่มั น, น ห, มมหน้าหัวหน้าแหนอย่ถ้าแม่ถ้าลูกมาขอแยม่มาเอามาขอรัพยบขอที่กินขอชงโนดอดขอเพศขอพอยนี่ก็อาจจะสมควรนะกโกรดแมกรธโกรธลูกนะแต่สิ่งที่ลูกแนะนําคือให้แม่แหกไพ่แต่ความโกรธเนี่ยมันจะไม่ยอมความโกรธเนี่ยมันจะมันจะรู้สึกว่าถ้าเราทาตามคําแนะนําของลูกเนี่ยมันจะคลายอำนาจ มันก็ไดยส้างให้แม่เนี่ยด่าลูกมันฉลาดมากเราอาจจะใช้วิธีการกดข่มเวลามีความโกรธเวลามีความเศร้าแต่ไม่ได้ผลนะเวลาเรากดข่มมันนะมันก็หลบแต่พอเราเผลอมันก็โผล่มีคนทเปลียดพ่อนะ แต่รู้สึกว่าเกลียดพ่อไม่ได้คนนี้ก็ไม่เกลียดพ่อแกก็พยายามกดข่มความโกรธความเกลียดพ่อสุดท้ายมันไปออกทางไหนรู้มหมโกดเกียดสามพ่อคุณแกสามพ่คุณดีใจนี่อยากจะไปทําลายแกก็ไม่เข้าใจทําไมถึงโกรธเกียดสามพ่อคุณจึงต้องไปหาหมอหาจิตแพทย์จิตแพทย์ก็ให้เล่าว่าเล่าถึงชีวิตพอแกเล่าถึงพ่ออันี้แกจะมีความโกรธ อยากล่วโปรดพ่อไม่ดีคนดีเขาไม่โปรดเกลีดพ่ อ, อมไม่ยอมรับเขาเพยายามกดเอาไว้โปรดพ่อไม่ก็ไปโดสามพ่อคู่เห็่มันมันฉลาดมากอารมณ์พวกนี้นะแล้วเราไม่เคยรู้เท่าทันมันแต่ว่ามันมีจุดอ่อนคือมันกลัวการถูกรู้ถูกเห็นอะไรที่ทําให้เรารู้เราเห็นหรือเท่าทันมันคือสติเนะีสติ เน้นการฝึกสติสำคัญฝึกสติสาคัญมากที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะรักษาใจไม่ให้ถูกครอบงาด้วยความโกรธความเกลียดความเศร้าความวิตกกังวลอารมณ์กุศลเหล่านี้แต่การฝึกสตินะมันก็ต้องใช้เวลาต้องใช้ความสม่ำเสมอต้องใช้ความเพียร และอารมณนี้มันก็รู้นะว่าถ้าเราฝึกสติมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีอํานาจคลองติดคลองใจเราน้อยลงเพราะนั้นมันก็จะหาทางทําให้เราเนี่ยมีข้าอ้างในการที่จะไม่สึก ไ, ไม่เจอสติไม่ฝึกสติเนะนี่ยเราสังเกตว่าเวลาเจอสติเนีเช่นเราตั้งใจว่าทุกเช้านะเราจะทําสมาธิเจริญสติเวลา10นาทีสิบาที แต่ว่าทําไปได้ไม่นานหรือว่าทําไปสั้นๆจะตกเลยอตื่นเช้าขึ้นมาอย่างแรกที่ทําหลังจากที่ปูฟันล้างหน้าก็คือเปิดโทรศัพท์นะฮะมีคนประมาณว่า 80% คนที่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยจะเปิดโทรศัพท์ดูข้อความภายในเวลา15นาทีเมื่อตื่นนอนแล้วจะตื่นนอนพวกเราตื่นแต่ 80% แ่นอน จํา <c oughs> เป็นมากนะฮะการเจริญสติการฝึกสติที่จริงฝึกสติเนี่ยมันทําได้สองวิธีนะอันที่หนึ่งก็คือทําในรูปแบบนะซึ่งเราควรจะทําทสม่ำเสมอเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ช่วยทําให้เราเนี่ยอสามารถจะมีสติตั้งมั่นได้เร็วมีสติรู้ทันได้เร็วอีกวิธีนึงคือการที่เรามีสติ กับการกระทาในทุกเรียองผมตื่นเช้าขึ้นมานะอาบน้ำถูฟันนะหรือว่าเก็บที่นอนให้มีสติรู้ตัวขณะที่เราทำสิ่ง น, นั้นพูวง่ายคือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะเวลาตัวเราอยู่ที่ห้องน้ำใจเราก็อยู่ที่ห้องน้ำไม่ใช่ ไปอยู่ที่ทํางานไม่ใช่ไปอที่ห้องครัวหรือเพื่อนก็คือว่าทำทีละอย่างเดี๋วที้เราทํำหลายอย่างพร้อมกันเช่นการที่ถูฟันล้างหน้าอาบน้ำเราก็คิดเรื่องงานไปด้วยบางทีก็คิดแล้วว่าเออจะทํำทัวจะทําอะไรดีให้ลูกกินเดี๋ยวก็คิดแล้วว่าเดี๋ยวตอนเชา้าจะไปไปใช้งานยังไงดีเราทำสองอย่างหรือสามอย่างพร้อมกัน อันนี้เรียกว่าเราเกาลังสร้างวิสัยที่ทําให้เนี่ยกีตใ จ, ใจฟุ้งร่างในงานทำทีละอย่างเหมือนกับเวลาเราเดินทีละก้าวเนี่ยเรากินข้าวทีละคำเราลองทาทีละอย่างเราจะบอกว่าเออเรามีงานเรามีงานเยอะแต่เวลาเรามีน้อยต้องทำหลายอย่างพร้อมกัน แต่ข้อนจริงเนี่ยการทำหลายอย่างพร้อมกันเนี่ยมันไม่ช่วยทําให้งานเสร็จเร็วขึ้นหรือว่าช่วยทําให้งานมีแถมยทําให้เราเครียดด้วยคณะบริหารธุรกิจของ Howard นะเขา ท, ทําวิจัยเรื่องนี้จริงจงเลยนะว่าระหว่างสิ่งที่เรามาติดทัสกิ้งเนี่ยคือทำหลายอย่างพร้อมกันกับการทําท่งใอย่างอะไรที่มันให้ผลดีเหกันผมก็ใช้เวลาเป็นปีนะ สัมภาษณ์แล้วก็สอบถามคนเนี่ยหลายพันคนเมื่อสามสี่ปีก่อนเพราะเพราะว่าการทํากิริยาเนี่ยมันมันทําให้งานสําเร็จโดยใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็คุณภาพก็ดีกว่าด้วยเนี่ยเขาเลยไม่ไม่สกสุลนนะการทําหลายอย่างพร้อมกันที่เรามาดีทัสิ้งอันนี้ที่จริมเรารู้กันมานานแล้วแต่ฝรั่งก็ต้องการทำวิจัยเพื่อยืนยัน การทำงานอย่างมีสตนะิมันเลิกตังนง่ายๆด้วยการทำาิริยาตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะเวลาเวลาจางชุนเดียวแดกหีนเนี่ยจากชุนเดียวก็อยู่กับก็อยู่กับปัจจุบันไม่ได้นึกไปถึงโนนนี่เลยวางนาฬิกวางเก้าหมาย นี่คนโบราณเขก็มีภาสิทธเกินใจอย่างภาสิทธิเขาบอกว่าความพยายามเป็นของมนุษย์ความสำเร็จอยู่ที่ฟา้าอยาก็ว่าให้เราเนี่ยพยายางเต็มที่เองแต่ว่าอย่าไปสนใจความสําเร็จถ้าเราทําดีถูกต้องตามกฎกติกามันออกมันเองนั้นเวลาทํางานเนี่ยเราใจก็อยู่กับปัจจุบันนะนี้เป็นวิธีการฝึกสติง่าย เราฝึกสติในการที่เรานั่งรถเวลารถติมเนี่ยใจมันพุ่งไปแล้วไปที่จุดหมายปลายทางบางทีก็สร้างภาพไปแล้ววันเนี่ยถ้ารถติมนายกว่านี้เดี๋ยวส่งรูปให่ทันเดี๋ยวไปไประชุมสายหรือว่าติดนัดสําคัญหรือว่าตกเครื่องบินพอคิดปุ๊บว่าภาพปับเนี่ยจิตมันก็เคลื่อนเลย แต่ที่เสียเวลาย่งนี้ก็เสียอารมณ์ด้วยหรือบางทีเสียสติไปเลยแถมระบายอารมณ์ใส่รูปที่นั่งอยู่ในรถระบายอารมณ์ใส่ใส่คนรับที่อยู่ในรถนะเสียหลายอย่างเสียทั้งเสียเวลาด้วยไม่พอเสียเสียสตินะเสียความสัมพันธ์แต่ถ้าใจอยู่กับปัจจุบันรถติดไฟแดงก็เออเข้ามาเตือนให้เราฟุ้งซ่านอีเป็นที่กับไฟแดงสมัคงไนะ ไฟแดงันโหเครียดเลองมองเออเข้ามาเตือนให้เราอยู่ฟุ้งซ่านให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกนะหรือใช้เวลาสอนชุดรดติเงี้แหละนะทาประโยชน์ดีกว่าปล่อยใจให้ไปที่ตกกังวลเพราะว่าทิศห้ามช็อตก็่นอะนใจารย์อยู่ปัจจุบันะนะแต่ใช้โอกาสในการ รถติดนหลนะฝึกติดแล้วเราจะพว่ารถติดแต่ติดไม่จกที่ทำได้เสียเวลาแต่ไม่เสียอารมณนะ์ไม่เสียสติที่ทาได้ใช้ที่ประจำวันของนี่แหละเป็นเครื่องฝึกสติยเพราะเวลาคอยเลาเราคอยเราก็อยู่กับปัจจุบันไนดะ้ไม่มาวิตกกังวลเรายู่กับรู่ก็อยู่ด้วยใจเต็นร้อย เวลาอยู่กับใครก็อยู่ได้ใจที่เต็มร้อยเดี๋ยวนี้คนอยากใช้ชีวิตเต็มร้อยวัยรุ่นหนุ่มสาวอยากใช้ชีวิตเต็มร้อยแต่ว่าเวลาเขาอยู่กับอะไรใจาาก็ไม่เคยเต็มร้อยเลยใจก็วอกแวกตลอดเวลาอยู่กับลูก อ, อยู่กับพ่อแม่อยู่กับแฟนใจก็วอกแวกทำอะไรใจก็ไม่เต็มร้อยแล้วจะใช้ชีวิตเต็มร้อยได้อย่างไร ถ้าอยากใช้ชีวิตเป็นร้อยเนี่ยใจก็ต้องเริ่มต้นในการที่เราอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจเป็นร้อยก็คือมีสติรู้ตัวเต็มที่เาลาสมาก่าใช้เวลาพอสมควรอยากจะเผื่อเวลาสำหรับคำถามบ้างถ้ามี บบช่วยอ่านให้ฟัง嘛อ่าเอ่เลอือ 15้าก็ได้เนงะีนีอะไรยีสิบนาที ไม่วิธีอธิบายผู้อย่างไรที่ไม่เชื่อเรื่องนี้บางท่านพูดว่าชาติหน้าจะไม่เกิดแล้วคิดตั้งใจปักใจเชื่ออย่างนั้นว่าจะไม่กเกิดอีกมันจะเป็นไปได้หรืงไมครับคือพูดถึงการเป็นวัยไต่เกิดเนี่ยนะถ้าพูดในทางวิทยาศาสตร์นี่มันก็มัน ก, มนก็มีเห็นตุมีผลเหมือนกันนะยกตอย่างเช่นเวลาเราตายเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยนะมันก็ มันก็คืนสู่ดินน้ํำลงไฟกลายเป็นปุ๋ยปุ๋ยนี่ก็กลายเป็นต้นไม้ต้นไม้ก็กลายเป็นอาหารของสัตว์มันก็นําไปสู่การเกิดชีวิตใหม่สิ่งที่ประกอบกันเป็นร่างกายของเราเนี่ยซึ่งก็มีแร่ธาตุเยแยะคาร์บอนฟอสฟอรัสแคลเซียมันก็กลายกลับมาเป็นชีวิตใหม่ ชีวิใหม่ขึ้นพื้นก็คือพืชทำพืชทำก็ประกอบมาเป็นส่วนประกอบของชีวิตใหม่ทีนิดหนึ่งก็คือสัตว์อันนี้จะเรียกว่าเป็นการเรียนไหวตาเกิดแบบนึงก็ไดนะ้ร่างกายคนเราเนี่ยมันไม่ไม่ไม่มีสูงล่านะเมื่อตายแล้วก็นําไปกอ่อไปสู่การเกิดชีวิตใหม่ตั้งแต่ต้นไม้ต้นไม้ที่ล้มในในป่านเนี่ยมันก็ก่อเกิดเป็นชีวิตใหม่ซนะึ่ง ซึ่งเหมือนเรียนไม่จบไม่สิ้นจากนี้นในทางพุทศาสนาน เ, นเราเชื่อว่าจิตใจเนี่ยนะหรือวิญญาณเนี่ยเอาว่าจิตก็แล้วกันเนี่ยมันก็สามารถจะนําไปสู่การเกิดใหม่ไดนะ้เพราะว่าชีวิตเนี่ยประกอบไปด้วยกายกับใจนะจิตที่มันเกิดดับเกิดดับเนี่ยมันก็สามารถจะไปเป็นองค์ประกอบผสมกับร่างกายทําให้เกิดเป็นชีวิตใหม่ ในทางพุทธศาสนาเราเชื่อว่ามันมีมันมีการมีไหว้กายเกิดแต่ในที่เห็นปัจจัยยังไม่ยังไม่หมดก็ยังมีการมีไหว้กายเกิดอีกเรื่ยไปจนกว่าเหตุปัจจัยจะหมดเช่นจิตมันดับหรือว่ามันไม่มีกิเลสเทียบคุมแต่ทีนี้สำหรับคนที่ตั้งใจจะไม่เกิด น, นะนะก็อธิษฐานได้ตั้งใจแค่แต่ว่ามันจะเป็นไปได้ไหรือไม่ขึ้นขึ้นเหลือการกระทำ ขึ้นอยู่ความเรียนที่อยู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับว่ายังยังยังติดอยู่ในยังยังมีความยึดยึดติดถือมั่นหรือเปล่าถ้าอย่ายึดติดถือมั่นยังมีตัวปูอยู่เนี่ยมันก็ยังนําไปสู่การก่อเกิดไปเรื่อยๆแต่า็เป็นไปได้ไม่เป็นไปได้แต่ว่ามันไม่ใช่ได้ อรมณ์ส ก, กัดอาจารย์ลูกอยู่ในวัยอิบายังไม่เชื่อฟังพ่อแม่สักเท่าไหร่เมื่ออธิบายด้วยเหตุและผลก็สิ่งหนควรทําให้ควรทําตัวอย่างเช่กนการตีพ่อแม่ทําให้พ่อแม่เจ็บไม่ควรทำนะนะก็ไม่เชื่อแล้วก็เกิดทํามเรื่องโกรธแต่เมื่อบอกว่าการทําแบบนี้ป่ามากและจะการดุเดรดและตกนรลกลูกกับเชื่อและจะไม่ทําอีกจะไม่ติดสีเพราะตัวโยมาบาปจดไว้และตัวจะกกนรกอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่า เป็นการสอนที่ผิดหรือไม่เพราะเป็นการสอนในสิ่งที่มองไม่เห็นกล่าวมันก็ไม่ผิดนะแต่ว่ามันจะเป็นการสอนที่ยังใช้ความกลัวอัตมาว่าความกลัวก็เป็นแรลดึงใจอย่างหนึ่งนะแต่ว่ามันเปในแรงงใจที่ดีกว่านั้นใช่ความรับความเมตตานะหรือว่าการรู้จักใจเข้าใจเราถ้าเราลองพยายามทําให้เขาได้เข้าใจ มีแรงจูงใจอย่างอยู่นบ้างนอกจากความกลัวอัอตมาว่ามันจะมีคนยั่งอยู่กว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยถ้าลูกเนี่ยนะไม่ทำอย่างน้นกับพ่อแม่เพราะว่าลูกรักแม่ลูกรักพอ่อหรือว่าลูกรู้ดีว่าอะไรที่เราไม่อยากอะไรที่ไม่ดีกับเราเราก็ไม่อยากทำอย่างนั้นกับคนอื่นอัตมาว่าลองใช้วิธีอื่นดูด้วยอดคนใจเย็นต่อย บางทีต้องดูสิ่งแ้วดล้อมเยนะว่าสิ่งแวดลอ้อมทําให้ลูกเรามีทิสัยงพฤติกรรมอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีมันมีสิ่งแวลอ้อมที่กระตุ้นทาใหเ้เด็กเขาเขามีอารมณ์ที่โกรธง่ายหรือว่าอารมณ์ที่ปรุงน้ำพันแล่นบางทีก็ต้องอาศัยสิ่งแวลอ้อช่วยด้วยรวมทั้งพฤติกรรมของพ่อแม่การพูดการสื่อสารการประฏิสัมพันธ์นะ ถ้าเราใช้ถ้าเราใช้ถ้าเราใช้การบังคับหรือว่าใช้การใช้วิธีการสั่งนะมากไปมาทีก่าจะไม่ได้ผลเี๋ที่คุณแมกท่านนี้พูดก็พย่ยาใช้อีกคนนะแต่ว่าธรมาว่าก็ลองวัดูความอดคนทำอีกหน่อยนะ ถ้ามาเชื่อว่าเด็กเนี่ยเขาแม้จะเป็นเด็กเล็กๆเขาก็ยังมีความที่อยู่ในุีผลได้เหมือนกันครับนอกจากถามหารู้ว่ามีคนโกหกจากการทํำกิจกับมร่วมกันรู้ภายหลักเราควรจะทําอย่างไรเพื่อเขาโกหกเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการและการทําให้เอามีจิตสำนึกควรจะต้องทําให้เขาจิตสำนึกไหมาะเราต้องทํำกิจกรรมร่วมกันอยู่เรื่อยๆระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน คนนำใ้เขารู้ว่าผู้อื่นเนี่ยรู้ว่าเขามีพฤติกรรมแบบนั้ น, น, นเพื่อเขาจะได้ไม่ทำอีกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็พยายามที่จะใช้ความรักความเมตตาความจริงใจกับเขาด้วยอาจมาเชื่อว่าการใช้รรมะเนี่ย กับเขาเนี่ยอย่างที่รู้เชบอก ว, ว่าเอาชนะความช่วยด้ความมีเอาชนะความประหน่ำพฤตการให้เอาชนะคำโก้ของด้วยความซื่อสัตย์เนี่ยต้อมาว่ามันในวิธีการที่ยังใช้ได้ทุกทุคสมัยในทางที่เราต้องรับผชอส่วนรวมก็ไม่ควรเปิดโอกาสก็ควรปิดควรปิดโอกาสให้เขาทำอย่างนั้นแล้วก็ถ้าทาได้ก็ควรให้เขารู้ว่า คนหรือเขารู้นะัว่าคุณโกหออนกนะต้ได้ระมัดระวังตัวจตก็ให้โอกาสเขาทางสุขสตรีนะครับหลายๆข้อนะ<อ>เมื่อเร็วนี้มีเหตุการณ์ที่ไม่จบก็เรื่องหนึ่งคือมีพี่เจ้าหน้าทท่านหนึ่งที่เราต้องโทราศาพัพทติดต่อด้วยโทราศาพัพท์เข้ามาเราก็เรียกรับสายเข้าไปผู้ใหญ่พอรับสายเข้าก็เหมือนพี่เขาลังคุยกับคนอื่นแต่พูดถึงว่าเราในทางในสายด้วยําให้สุภาพ โดยแทนเชื่อเราว่าอีนี่และพอจับได้ก็ถึง่ยวอับพอจับประเด็นได้ก็ถกงกับเรื่องและจุดมาสุดท้ายไม่ได้ฝังต่อรีบตัดสายทิ้งเพราะที่คิดว่าที่เขาคงพลาดตโทรศัพท์ออกทำให้เรารับโดยดตั ว, ตวอยากทราบว่าเหตุการณ์แบบนี้เราควรปฏิบัติตัวอย่างไรกับที่พัก น, นั้นเหมือนมันมีอะไรค้างคาในใจธรรมมาถ้าไปธมมาธนาภงไอไปขอเคียนะก็คือว่าคือนี้ เคียแบบนี้บอว่ามีอะไรไม่พอใจตมาไหมใช่ไหมไม่ได้พูดในํำนองว่าเราได้ยินเขาพูดพอเท่าที่ได้ยินเขาพูดเนี่ยเขาจะอ้ามึ้งเขาจะเราจะจะจะรู้สสบายเดหรือเขารู้สึกลบกับเราันทีเลยนะแต่ว่าถ้าเราพูดวในมีอะไรไม่พอใจนะหรือว่าเราทำอะไรที่ทำให้ไม่สบายใจก็ขอช่ยบอกด้วยเขาเขาเคลีแบบนี้บางทีเขาจะ เก็ว่าเราร่วงรู้อะไรบางอย่างของเขาแต่ก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ใจว่าเรารู้จริงหรือเปล่าให้ความคุมเคืยแบบนี้เนี่ยนะมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันเพราะถ้าเขารู้ว่าเราได้ยินเขาพูดเนี่ยเขาก็จะทําสิน้าไม่ถูกเลยแต่ถ้าเขาไม่แน่ใจว่าเรารู้แค่ไหนเนี่ยนะกาอาจจะยังปฏิบัติกับเราหรือมีสิน้ากับเราเหมือนเคยแต่สิ่งที่เราถามเขาเนี่ยนะถามเพื่อให้เขาได้รู้ว่าไม่เราอาจจะรู้นะ เราจะได้ยินนะตรงนี้อาจจะทให้เขาเนี่ยนะระมัดระวังมากขึ้นแล ะ, และถ้าเขาและถ้าเขาถ้าเขามีอะไรที่ไม่พอใจเราเนี่ยก็จะใช้โอกาสนี้บอกกับเราอาจจะบอกด้วยน้ําหนักที่เบาบางเลยนะแต่มันก็เปิดโอกาให้เราได้ไ ด, ได้ได้เคลียร์ได้อธิบายให้สมาธิว่าถ้าเราเก็บเอาไว้เนี่ยเราก็จะฟุ้งการที่เราเอาโอกาสไปสักถานขเขา โอกาสให้เขาได้พูดแลโกาสให้เราได้ได้ชี้แจงน่าจะมีกว่าครับนักวิชาการถามอาจารย์นห น, นึ่งเรื่องฝกจิตไม่ให้โกรธหรืออารมณ์เสียเวลาลูกทำอะไรไม่ได้ตักใจเช่นเรียกให้ทําการบ้านก็ไม่ทําให้เริ่มเล่นก็ไม่เลิกจะสอนลูกอย่างไรให้เด็กให้เด็กโกรธและเวลาเขาโรกรธต้องทำอย่างไรสอนลูกอย่างไรเมื่อไม่อเด็กโกรธ อ ย, อย่างแรกคือเราสองเรต้องไม่โกรดก่อ น, น, นมีแม่คนนึ่งเนี่ยนะทุกข์มากเลยแล้วก็ไม่พอใจลูกมากลูกอายุประมาณสิบขวบตื่นสายเป็นประจำลูกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมลูกคือถ้าบาทีแม่ก็ว่าลูกผลนี้เกิดขึ้นตัวลูกก็ยิงย่งพยศลูกก็ยิง่ยงพยายามเอาชนะนม่สุดท่ายมั น, เ ป, นเป็นการสงครามเอาชนะกัน แล้วิธีการอาชนาของเราเนี่ยคนเราเสื่อก็คือว่าการใช้าการใช้ความรู้สึกพลังลบเนี่ยเข้าปะทากันเขพลังลบ ก, กับเ็ียงความโกรธความาารืมอม้อด้านการไม่ฟังการตอบโต้การตอบโต้ด้วยความรื้อด้านก็ก็เป็นวิธีการเหมือนกันนะหลังแม่วิจยก็ได้ได้เรียนรู้ว่าวิธีการสื่อสารที่ดีเนี่ยนะมันไม่ใช่การใช้อารมณ์แต่มันเป็นการพูดถึงความ มันอาจเป็นการพูดถึงให้ลูกเขาได้รับรู้ว่าแม่รู้สึกอย่างไรเช่นตอนหลังแกก็พยายามพูดคุยกับลูก ด, ดีๆนนะบอกว่าการที่ลูกตื่นสายนี่นะมันทำให้แม่เป็นกังวลนะมันทําให้แม่เนี่ยเป็นห่วงว่าลูกเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันและแม่ก็จะไปทํางานสายคนะือพยายามใช้พยายามพยายามพูดถึงความรู้สึกของแม่นะนะในแง่ที่ว่าความห่วงความกังวล เป็นความรู้สึกที่ประกอบไปด้วยเหตุผนล น, นะแต่ต้องพูดดีๆนะประกว่าพอเริ่มเปลี่ยนท่าทีเนี่ยลูกก็เริ่มฟังแม่มากขึ้น น, น <ะ S 2> แล้วมันก็ําไปสู่ไปสู่พฤติกรรมอื่นๆเพราะตะกอนลูกตะกอนแม่ก็จะใช้อารมณ์กับลูกนะต่อหลังเนี่ยก็พยายามพูดถึงความรู้สึก นะว่าเมื่อลูกทำนนนอย่างนี้เนี่ยแม่รู้สึกอย่างไรแม่เป็นหัวแม่ไม่สบายใจลูกก็เริ่มประพฤตัวดีขึ้นและตัวลังความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกคุณก็ดีขึ้นแม่เล่าว่าวันหนึงแม่ไปรับลูกนะลูกก็บอกขอขอขอถ่ายรูประหว่างแม่กับลูกหน่อยลูกไม่เคยพูดอย่างนกับแมแ่เธอซาบซึ้งมาก ทั้งมีมันเริ่มต้นที่การที่เธอจะเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนวิธีการสื่อสารกับลูกนะจากการใช้อารมณ์การว่ากล่าวมาเป็นการพูดถึงความรู้สึกของแม่ถ้าหากว่าลูกยังเป็นอย่างนี้หรือถ้าลูกไม่ตื่นไม่ลุกขึ้นมาถึางพันเวลาแม่จะเดือร้อน ย, ยังไงลูกจะเดือร้อน ย, ยังไงแต่มาคิดว่าอันนี้เป็วิธีการสื่อสารหนึ่ง ท, ที่น่าจะใช้ได้นะและช่วยช่วยปรับความสัมพันธ์ อย่างที่เรามาว่าอย่างแรกยิ่งทำก็คือว่าแม่จะเป็นตัวตู้การและสมมตินเนี่ยพฤติกรรมของลูกเนี่ยมันรู้แล้การเริ่มต้นที่เริ่มต้นที่พฤตพฤิกรรมของพ่อแม่ถ้าจะแก้ที่ลูกต้องไปแก้ที่พ่อแม่ก่นอนัป็นวิธีที่ได้ผลยํางยืงง น, นกว่าผมกลับมาเลครับคุณพ่แม่นะครับคุณแม่เป็นคนที่แบบที่พระอาาบอกเลยหลังค่าวเรื่ว่าพ่อตารสุขภาพย่ำแย่รูติดก็หมุทุกครั้ง พระาจารย์ทําำแนะนาให้ลูก่ไปบอกแม่ที่อายุมากแล้วเดือนไม่ได้ไม่ฝังอย่างแรกนะคืออารมณ์ของลูกเนี่ยต้องคุมให้ได้ครับเพราะพฤติกรรมที่คงจะเป็นอยู่บ่อยจนกระทั้งลูกเนี่ยระอาจะไปจะไปบอกท่านเนี่ยนะก็จะก็ต้อง ต้องคุมสติของเราให้ได้แล้วก็บางยั้งบังคับต้องทํำด้วยแบบย่างก็คือว่าถ้าแม่ไม่ทําแล้วก็เราก็ทำให้แม่เขารู้สึกว่าให้เขารู้สึกว่าให้การทําให้เขามีดัดย่างว่าให้การทํำการแก้ปัญหาด้วยใจที่สงบเนี่ยมันเป็นไปได้นะคือการที่บอกแม่ตรงๆเนี่ยตัมมาก็ก็รู้สึกว่าเราไปว่าเขานะ แล้วคนที่เป็นแม่ก็จะไม่ชอบว่าให้ลูกว่าแต่ว่ามันต้องเริ่มเกนจากการที่ลูกลูกเนี่ย น, นิ่งซะก่อนนะลูกก็ไม่อารมณ์เสียนะเราอาจจะสุดเป็นทุกข์ที่แม่หงุดหงิดแต่เราก็ต้องระวังว่าเราจะเป็นหงุดหงิดพ่อแม่นะเราไม่พอใจที่แม่หงุดหงิดแต่เราเองก็หงุดหงิดพ่อแม่เ น, น่มันก็มันก็แสดงว่าเราเราก็ ยังไม่ได้ทําอย่างที่เราเราพูดเราอยากจะให้แม่ปล่อยวางเราก็ต้องปล่อยวางก่อนเราอยากให้แม่ใจเย็นเราก็ต้องใจเย็นก่อนเราอยากให้แม่ใจเย็นแต่เราเหยุดยิงในพฤติกรรมของแม่เนี่ยมันก็คงจะสิ่งที่เราพูดก็ไม่มีน้าหนัก